ครอบครัวนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าสามีค็ดีออกนอกลูนอกทางภรรยาออกนอกลูนอกทางอย่าหวังเลยครอบครัวนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความแตกแยกแตกไล่แหงผลในสุดก็เป็นไปไม่ได้ไปคนละทิศทางกันหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ทกใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้ถูกต้องให้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรม สามีภรรยาคือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพกาจารีเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาพอเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องสอนบุทซะก่อนกินอย่างนี้นอนอย่างนี้ อ, อ, อาบ น, น้ํออ า, นะอาอย่างนี้เรียกพี่ป้าน้าอาอย่างนี้พ่อแม่ต้องสอนก่อนจากนั้นพ่อแม่สอนแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียน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 ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติตนถูกต้องแล้วความเจริญหรือความผาสุขความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองครอบครัวของท่านเองไปณักสถานที่ใดมีก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะเราปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้ง6ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้ง6ทิศใดทิศหนึ่งเองียงชีวิตของชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีความไม่ผาสุข เกิดขึ้นได้ง่า ย, ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราพุทธบริษัท อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะัทายาทโยมลูกหลานทั้งหลายทุกทุกคนนี่คือพรปีใหม่เรียกว่าสิ่งที่กล่าวย้ำเตือนสําหรับปีใหม่ของพวกเราทำให้ทาตนให้ถูกต้องอและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไป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 เขาก็แห่มังกรมาหน้าบ้านมาเรืงตึงนั่งมาลังต่างนึงมางตึงนั่งอย่างนี่แนะละหลวงพอ่ อ, อเราอยู่ในปาน่าลำคลาลำคานไว้วะ เ, เจ้าของบ้านมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะท่านท่านอาจารย์มาถ้าหากว่าไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวโลกประสาทมันก็จะเกิดขึ้นเพราะทุกคนก็มานั่งไม่ได้ขายสิ่งขายของแล้วก็นั่งเครียดอยู่นี่นนะ